เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องเธอๆทั่วไปนะโดยเฉพาะกล่าวถึงในเรื่องของสัมมาชีวะใช่ไหมในเมื่อวานเนี่ยพอพูดถึงในเรื่องของงานเรื่องสัมมาชีวะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ดังที่ได้กล่าวค่อนข้างเยอะนี่แล้วก็ก็ได้พูดถึงในเรื่องของสังคม สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เรามามาอยู่กันเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของธรรมชาติพูดถึงของเพื่อนมนุษย์พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมของชีวิตสองสมส่วนในสมส่วนเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้พูดแล้วสภาพสังคมสภาพของจิตใจของมนุษย์ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นมนุษย์นี่แหละแต่เราก็เองก็ เริ่มไม่มีความสุขกับการอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าสายลมแสงแดดทั้งๆที่ธรรมชาติต่อธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะเอื้อกันด้ยการที่เราถูกสิ่งแวดล้อมทั้งหลายลมแล้วทัศนคติมุมมองความคิดอ่านมันก็เปลี่ยนไปแทนที่จะได้ความสุขจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็กลับไม่ได้ เพอะกลกลายเป็นความเครียดความกัดกุ้มก็ไปอีกที่จริงๆก็ดังที่ได้กล่าวก็มาสร้างอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างโรงงานบริษัทห้างร้านต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายที่มนุษย์ทางวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแตกแยกจากธรรมชาติมากเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะ เจอกันอยู่แล้วก็กำลังประสบปัญหาสิ่งต่างๆตรงนี้อยู่เออตรงนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดังได้กล่าวไว้ก็คือกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองเราไม่สามารถจะปฏิสัมพันธ์ที่จะเป็นไปทางด้านของกายกรรมวัจีกรรมเนี่ยโดยเฉพาะกระบวนการความคิดในขณะที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยโดยเฉพาะว่า เออแปลกแยกกันแล้วไม่มีความสุขกับการที่จะอยู่ในครอบครัวสังคมพ่อแม่ปู่ตายายายลูกๆูสามีภรรยาแม้การมาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรเราก็มาอยู่กันแบบกันแกรนกันนี่แหละในการที่ตัวเชื่อมตัวประสานมันไม่มีอะไรไหมไม่มีตัวเชื่อมตัวประสานก็เกิดการแปลกแยกกันนะทีนี้ไอ้การแปลกแยกกันกับเพื่อนมนุษย์เนี่ย เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเออเนี่ยพอมองสิ่งต่างๆตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อวันก่อนก็คือเรื่องผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งบ้างการครบกันโดยการที่จะคํานึงถึงว่าคนคนนี้จะให้ประโยชน์อะไรกับเราถ้าสิ่งที่เราต้องการหรือประโยชน์ที่เราต้องการไม่ได้เราก็ไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเราจะสังเกตได้ในสังคมของอินเดียเนี่ยก็แบ่งชนชั้นกัน เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นจันทานเนี่ยอันนี้บ่งบอกชัดเลยว่าแปลกแยกกันจากเพื่อนวโนเห็นชัดใช่มเมสังคมโลกก็จะเป็นแบบนี้แหละนก็จะแบ่งเป็นกันเป็นว่าเป็นคนรวยคนจนเป็นอาชีพการงานสถานภาพความเป็นอยู่ทั้งหลายเหล่านี้เราก็จะเห็นสภาพสังคมที่มันเป็นกันเป็นหย่อมยมย่อมยมยอยอเนี่ย เนี่ยหมู่หมู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ก็คบกันโดยธาตโดยกลุ่มโดยพวกโดยพ้อง ก, ก็เป็นกันอย่างเงี้ยแต่ที่สุดจริงๆก็คือว่ามันไม่มีตัวเชื่อมไม่มีตัวประสานที่จริงๆก็เลยไม่สามารถที่จะได้ความสุขไอความสุขตรงนี้หายไปแล้วอยู่กันอยากหวาดระแวงอยู่อย่างระวงระแวงระวงังก็ได้พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมของชีวิตอันนี้ถ้าพูดถึงตัวเนี้ยท่านในสมัย พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ใช้ศั์นี้หรอกท่านใช้ถึงการที่ว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนใช่ไหมในการแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกในการกินดื่มเคี่ยวลิ้มถายจระปัสสาวะในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งอันนี้คือมนุษย์ต้องมีกิจกรรมของชีวิตตลอด ใ น, นกิจกรรมของชีวิตที่ดําเนินไปเนี่ยมันดําเนินไปแบบมีจุดหมายหรือไม่มีจุดหมายมันเลื่อนลอยหรือไม่เลื่อนลอยมันมีจุดหมายโดยตรงโดยอ้อมอย่างไรเนี่ยมนุษย์พิจารณาอย่างไงเราไปบินทบาทถ้าจุดหมายในการวินทบาทคืออะไรเรากลับมามาฉันอาหารจุดหมายของการฉันคืออะไรใช่ไหมกิจกรรมของชีวิตทั้งนั้นแล้วก็ต้องมาเก็บมากวาดมาล้างแล้วก็มาถูมาทําความสะอาด เบสเซต์ก็ต้องมานั่งเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเออทำไมมันไอ้คำว่าแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรก็คือว่ามันทําแบบไอ้ตัวมันทําอย่างเงี้แหละแต่ใจมันเลื่อนลอยใจมันไม่อยู่ใจมไม่ไปอยู่กับกิจที่ทํานั้นและไม่รู้จุดหมายของกิจที่ทํานั้นโดยตรงว่าหมายถึงอะไรโดยอ้อมมันคืออะไรเงี้ยไปๆมาๆอย่างนี้เขาเรียกแปลกแยกเรียบร้อยแล้ว นี่มนุษย์ก็เลยแยกว่าฉันชอบตรงนี้ฉันไม่ชอบตรงนี้ใช่ไหมทั้งๆที่มีกิจกรรมของชีวิตที่ต้องดําเนินตลอดนี่แหละแต่ฉันก็มาแยกว่าฉันอันนี้ฉันชอบนี้ฉันไม่ชอบพอไม่ชอบฉันก็ไม่ทำไอ้ที่ไม่ชอบก็คือมันเป็นอะไรเนี่ยตั้นหามันชอบพอตั้นหามันชอบมันอยากได้มันก็ทําถ้ามันไม่ชอบมันก็ผลักออกหลีหนีอยากให้พ้นแท้ที่จริงก็คือกิจกรรมของชีวิตถ้าถามว่า ถ้าไม่มีกิจกรรมของชีวิตหรือไม่รู้จุดหมายของกิจกรรมของชีวิตเนี่ยชีวิตอยู่ทําไมอยู่เพื่ออะไรจุดหมายของชีวิตที่แท้จริงคืออะไรตอบไม่ได้หมดเลยเนี่ยสรุปก็คือไปตอบคว่าชีวิตคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ชีวิตเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบชีวิตควรเป็นอย่างไรเนก็ไม่รู้อีกหรือชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรเนยก็มองไม่ออกเลยเนี้ย ความเข้าใจของกระบวนการความเป็นไปของชีวิตนี่ก็ไม่ชัดก็ไม่ชัดตันก็เอาที่ว่าชอบหรือไม่ชอบก็อยู่กันแค่นี้เองแล้วแล้วกุศลจะเดินยังไงตันี้ประดาชีวิตทั้งหลายที่เป็นไปอย่างนี้มันก็เลยไม่รู้ว่าอกิจกรรมของชีวิตมันต้องดําเนินตลออดทีนี้เอาเลยสิตัวนี้มาเป็นนักบวชไม่ต้องพูดถึงการวาดก่อน นักก็มีกิจกรรมพินทบาทใช่ปัดกวาดวิหารลานโพสวดมนต์ไหว้พระทำอะไรกิจกรรมต่างๆนี้มีตลอดเลยทีนี้ถ้าจิตเราเราแปลกแยากยากกิจกรรมของชีวิตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงนี่เรนั้นวัตถุประสงค์จริงๆตรงนี้ก็คือว่าไอ้กิจกรรมของชีวิตยังไงมันก็มันก็มีอยู่ใช่ไมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนอย่างไรเนี่ย แต่ถ้าหากว่าเราอยู่หน้าสถานที่หรือกิจกรรมนั้นๆแล้วจิตเรวาว้าวุ่นจิตเราทุกข์เครียดกุ้งโดยไม่รู้เลยว่าทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรทำแล้วจุดหมายโดยตรงโดยอ้อมเป็นยังไงเนี่ยนี่ก็แปลกแย ก, กเรียบ ร, ร้อย เ, ยเป็นไหมเป็นตลอดัหยแบบนี้อา้าวตรงนี้ฟังเนี่ยมานั่งอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรมาทำอะไรกัน นี้เขเรียกอะไรสง่งมาสั่งสมสุดตาสั่งสมข้อมูลอยู่ไหทีนี้มาสั่งสมสุดตาสั่งสมข้อมูล เ, เพื่ออะไรทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยหรือความรู้ความเข้าใจตรงนี้แหละมันจะเป็นอุปกรณ์แก่การที่จะสามารถทำให้เรานั้นเนออ่อ ปฏิบัิทางหรือทางดำเนินของเราเนี่ยมันจะได้มีแบบแผนมันจะได้มีข้อมูลคนเดินทางที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยในการเดินทางเนี่ยก็ลองดูเถอะว่ามันจะหลงขนาดไหนชีวิตที่มันดำเนินไปอยู่ทุกขณะเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลให้ถ่องแท้ให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรมันก็ดำเนินไปตามความอยากความต้องการเป็นต้นเหล่านี้ ถาว่าอกิเลสตัณหาเนี่ยมันก็มีข้อมูลของมันอยู่ใช่ไหมมันก็นําพาชีวิตไปยังไงเนี่ยเรียบร้อยเลยฉั้นกิจกรรมของชีวิตที่มันดําเนินไปมันก็ผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่นี่ก็เสียหายฉั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายที่มันไปเดือดร้อนกันอยู่ในเอเวจีบ้างอยู่ในนิระยะบ้างยีราชานบ้างเปรตบ้า ง, าาา ง, าาางมนุษย์เทวดาหรือพรหมทั้งหลายเหล่านี้ยที่มันไปเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าการที่ ดำเนินกิจกรรมของชีวิตที่ผิดพลาดนี่แหละใช่ไหมเออตรงนี้มันถึงเป็นเรื่องจําเป็นมากเลยข้อมูลเนี่ยเมื่อได้สุตตาได้ข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลตรงนี้นี่แหละจะเป็นประดุดดังคอยส ก, กิดเตือนใจเราตลอดเวลาเมื่อเราได้ดําเนินชีวิตตลอดทุกๆขณะเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแผนที่นําพาชีวิตของเราให้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรก็อยู่ที่การรับข้อมูลตรงนี้นี่แหละ ฉะนั้นในเรื่องของกิจกรรมของชีวิตเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าเอยคำว่าแปลกแยกเนี่ยด้านที่ด้านที่สามนี่แหละแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตเนี่ยมันจึงเป็นกลายเป็นว่ามนุษย์เราไม่ได้อยู่เฉยๆดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือต้องยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายเห่นี้นี่ก็ต้องมาพิจารณาให้ชัดทีนี้เอาแล้วแต่นี้ในขณะที่เราดำเนินเนี่ย ในคําสอนพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเอกายโนยัง e พิกเวมะโคใช่ไหมทางนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียว ừ, นีเพราะงั้นว่าทางเนี้ยมัคคะมัคคปฏิบัติทางสายนี้เท่านั้นพี่เป็นทางปลอดภัยสตานัวนางวิสุทธิยาบอกว่าทางสายนี้เมื่อดําเดินตามทางสายนี้แล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์ สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีราคาความกำนัดโทสะความโกรธแล้วก็โมหะในความมืดบอดเนี่ยเป็นตัวปิดบังกระแสชีวิตทําให้กระแสชีวิตของมนุษย์เนี่ยเดินดําเนินไปผิดทางไม่ถูกทางชีวิตของมุสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ดําเนินไปสู่อัตตกิรมาฐานุโยคบ้างการมาสุขาลิการนโยคเป็นต้นบ้างใช่ไหมบางทีก็เอียงสุดไปหาความทําตนเองให้ลาบากเอียงสุดไปหาการบกมุดในการบุคคล เอียงไปหาความโลภบ้างเอียงไปหาความโกรธบ้างเอียงไปหาความเห็นว่าขาดศูนย์บ้างเอียงไปหาความเห็นว่าเที่ยงบ้างมันเอียงอย่างเงี้ยบางทีก็นู้นหรือ บ, บ้าไปในด้านของวัตถุนิยมหรือจิตตนิยมเลยเงี้ยมันไม่เป็นไปแบบกลางๆเป็นไม่ดําเนินกระแสะชีวิตไปตามศีลสมาธิปัญญาได้สักทีไอลักษณะอย่างนี้ก็เริ่มแปลกแยกกิจกรรมของชีวิตเนี่ยนั้นการดําเนินชีวิตของเราทุกๆขณะในการยืนเดินนั่งนอนเนี่ย ถ้าไม่เป็นไปเพื่อการเจริญถ้าพฤติกรรมไม่เป็นไปกับศีลจิตของตอนเองไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นไปกับการฝึกสมาธิทัศนคความเห็นไม่เป็นไปกับปัญญาอันนี้แปลว่าทางที่ดำเนินไปนั้นไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์จริงไหมล่ะกิจกรรมของชีวิตที่ดำเนินไปนั้นเน่เพราะมันเป็นการไปเพิ่มราคะโทสะโมหะมานาทิถิวิจิกิฉะหินิกาโนตปาอุทจร บาปอากุศสลรก ร, ร ม, มันชั่วร้ายทั้งหลายก็จะตามมาใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์โสกาปฏิเทวนังสมติกรมายะถ้าเราดำเนินกิจกรรมของชีวิตเนี่ยเป็นไปด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะเป็นตัวนำมันก็จะนำไปสู่ความเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆนาไปสู่ความโสความร่าไรลาพันธ์ ไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็ความขับแค้นใจมองเห็นไหมเนี่ยการแปลกแยกเป็นอย่างเนี้การดำเดนินกิจกรรมของชีวิตเนี่ยมันมันผิดพลาดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายายญาตสาธิคมายะเนี่ยถ้าดำเนินไปสู่อริยมรรคเอออย่างนี้มันถูกต้องแล้วทางสายเนี่ยดำเนินไปเถอะ ศีล ส, สมาธิปัญญาหรืออริยมรรคเปองแปดเป็นดำเนินไปสู่โสดาปบิมรรคเป็นต้นอะไรนี่นิพพานศาสตร์สัจจิการิยาญาก็คือการดําเนินกระแสชีวิตไปสู่พระนิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์เออถ้าเราดําเนินกิจกรรมของชีวิตเนี่ยมันไม่แปลกแยกดำเนินไปในทางถูกต้องเนี่ยกระแสชีวิตมันก็จะเป็นไปเพื่ความบริสุทธิ์หมดจดเพราะมันดําเนินด้วยสติและสมปัญจัยดำเนินด้วยความไม่ประมาทมัวเมาใช่ไหมได้หลักการก็คือตัวเดียวกันแต่นี้แหละที่พูดทั้งหมดเนี่ย ฉะนั้นในชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยที่เราดําเนินกันอยู่เนี่ยให้สังเกตดูว่าคือสติสัมปชัญญะของเราถูกฝึกปรือขึ้นได้จริงจริงเนี่ยนะนี่แหละเป็นเรื่องที่เอาละแต่นี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องเพื่อนมนุษย์เรื่องกิจกรรมของชีวิตมันยึดโยงกันหลักใดที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยเป็นหลักจุดในการเชื่อมโยงเชื่อมประสานเป็นต้นได้ ธรรมะอีกหมวดหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้คือหลักในเรื่องของพรมวิหารละธรรมพรมวิหารพรมวิหารเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะแปลว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างพรมเนี่ยแยกสาวเป็นพรหมะกับวิหารการประกอบศสา์ก็คือพรมพรมเดี๋ยนี้พรมนาหรือพรมพรหมเนียศนพท์นี้แปลว่าจบแล้วพรมวิเป็นอุปสรรคหะธาตุในความหมายว่าหาระ ฮารณะก็แปลวเป็นอยู่วิหาโรก็มีอาจจวิเคราะห์ว่ามาจากคำวิหารติเตนาติวิหาโรเนี่ยก็แปลว่าชนย่อมอยู่ด้วยธรรมนั้นเหตุนั้นธรรมนั้นก็ชื่อว่าเป็นเครื่องอยู่แห่งชนนั้นฉะนั้นถ้ามองนี้ก็คือว่าพรมวิหารก็เลยมีอาจวิเคราะห์พรห ม, มโนหรือพรมมุโนวิหาโรพรรมวิหาโรธรรมเนี่ยครับเราทำเครื่องอยู่ของพรหม เชื่อพลวิหารโอ้าบอกว่าในอัจถริามัชฌิมนิกายมรปันนาตนี่จะวิเคราะห์เลยเนีย่ให้ดูเนี่ยท่านบอกว่าจเจริญแล้วด้วยคุณทําวิเศษเชื่อพรมเมือนันอีกอย่างหนึ่งก็บอกเท้ามหาพรหมก็ดีพระตาคตก็ดีพรามณะก็ดีมารดาบิดาก็ดีสิ่งที่ประเสริฐทั้งหลายก็ดี ท, นะท่านเรียกว่าพรหมเรียกว่าพรหมนะท่าเรียกว่าพรทีนี้ถ้าถามว่าไอ้ที่เรียกว่าพรหมมีอะไรบ้างพระตถ า, าคตเชื่อพรหมไหมเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อพรหมพราหมณ์ เขแปลว่าพึ่งผู้ประเสริฐพึ่งกันพรหมในความหมายนี่แปลว่าประเสริฐมาดาบิดาทั้งหลายเหล่านี้ยสิ่งที่ประเสริฐเหล่านี้ก็เรียกว่าพรหมยานั้นพรหมก็เลยมาจากคว า, า, ากคว่าประเสริฐมาจากคาว่าประเสริฐเทพทั้งหลายที่อยู่ในรูปาวจรอรูปาวจรเนี่ยสิบหกชั้นเลยนะเช่นว่าพรหมมโปรอิตาพรหมมะปริษัชช า, าพรหมมะโรอิตามหาพรหมาเนี่ย ปริตาภาปมานาภาอาพสราทั้งหลายเหล่านี้คือพรหมหนึงนั่นแหละนี่เป็นเกี่ยวนี้เรื่พองของพระพรหมออในหลักของธรรมะแต่เนี้ยถ้าเป็นวิเคราะห์ความหมายก็หมายเ ง, งี้เคยบรรยายไว้หลายครั้งทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐทำทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐประการต่อมาคือทำประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ทำที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติจึงจะชื่อว่าดำเนินชีวิตด้วยดีและหมดจดหรือว่าและปฏิบัติตนต่อมนุษย์ทั้งหลายโดยชอบเป็นต้นได้เอยในความหมายเนี่ยเราชอบความหมายไหนที่จะสามารถนำมาใช้นำมาให้เกิดขึ้นในใจเราได้จริงอันนี้สำคัญที่สุดใช่ไหม ถ้าบอกว่าทำเครื่องอยู่อย่างประเสริฐหรือทำประจำใจอันประเสริฐสองความหมายนี้ชอบอะไรบอมชอบความหมายไหนในสองความหมายนี้ทำมันประจำใจประเสริฐหลักความประพฤติ ท, ที่ประเสริฐบริสุทธิ์ได้ไหมหลักความประพฤติ ท, ที่ประเสริฐบริสุทธิ์อีกความหมายหนึ่งนี่ที่มันชัดค่อนข้างชัดลงไปก็คือ ธรรมะที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจเมตตากรุณามุมตตาเวกขาเนี่ยธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจและกำกับความประพฤติถ้ามีธรรมะ4ีประการนี้เอามาไว้เป็นหลักใจแล้วเนี่ยเอามาไว้ในใจแล้วมานั่งแท่นไว้ในใจแล้วพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุมตตาเนี่ยก็จะได้มาคอยกำกับความประพฤติกำกับพฤติกรรมของมนุษย์นั้น เมื่อสามารถเอาธรรมะประจำใจอันป ร, ระเสริฐอันเนี้ยมากากับไว้เป็นหลักใจแล้วเนี่ยจึงจะชื่อว่าเป็นการดำเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนตอมนุษย์ทั้งหลายโดยชอบได้หรือจึงจะชื่อว่าเป็นผู้รักตนได้อย่างถูกต้องแท้จริงเป็นต้นได้ใช่ไหมมองเห็นได้ยังเออตรงนี้ก็คือก็เลยได้หลักแล้วแต่เนีว่าทำประจาใจอันประเสริฐ คำว่าทำประจำใจอันประเสรชนี่แหละหรือว่าหลักทำที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจเมื่อมีไว้เป็นหลักใจแล้วเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่เอาไว้กากับความประพฤติถ้าเรามีพรหมวิหารทั้งสี่เนี่ยมีกากับไว้ที่ใจแล้วก็ไว้กากับพฤติกรรมแล้วอย่างเนี้ยการดำเนินชีวิตในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งทั้งหลาย ในการแลตรงแลเหลียวคู่ข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายยุจลปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นละพูดนิ่งการดําเนินชีวิตในการประกอบกิจกรรมของชีวิตทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามีตัวพรหมวิหารธรรมเนี่ยเป็นตัวกํากับพฤติกรรมอย่างนี้อย่างติดต่อและต่อเนื่องถามว่าชีวิตจะดําเนินไปไ ด, ด้วยความบริสุทธิ์หมดจดไหมมันก็ดําเนินชีวิตไปไ ด, ด้วยความบริสุทธิ์หมดจดและเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นการรักตนเองที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายโดยชอบด้วยใช่ไหมอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐจริงๆเพราะมีธรรมะเครื่องอยู่อย่างประเสริฐและธรรมะประจําใจอันประเสริฐหรือหลักความประพฤติที่บริสุทธิ์ริสุทธิ์เนี่ยกำกับหรือมีไว้เป็นหลักใจด้วยแล้วก็กำกับพฤติกรรมก็ดําเนินชีวิตไปได้อย่างถูกต้องดีงาม ทีนี่หน้าที่ของเราก็คือเมื่อฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเกิดสุดตาเกิดข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเข้านะเข้าเราก็ต้องดึงคุณธรรมเหล่านี้หรือปลุกเร้าคุณธรรมเหล่านี้ให้มานั่งแท่นอยู่ในจิตใจให้มันประกอบอยู่ในจิตใจให้ชีวิตจิตใจเราให้ได้นี่หน้าที่ของเราคือตรงนี้ถามว่าเมตตากรุณาเมิตามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทิศเหนือทิศใ ต, ต้ตะวันออกตะวันตก ทิศเบื้องบนหรือทิศเบื้องล่างมันไปอยู่กับภูเขามันอยู่กับใครมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนพรหมวิหารี่อยู่ตรงไหนมันอยู่ที่จิตใจนี่แหละแต่จิตใจทุกครั้งที่คิดเนี่ยพรหมวิหารคิดกับเราทุกครั้งไหมเกิดทุกครั้งไหมไอ้ตัวพรหมวิหารเนี่ยมันเกิดขึ้นเองหรือมันเกิดขึ้นต้องมีความชานฉลาดที่จะเล้าปลูกเร้าให้เกิดขึ้น ต้องมีความชาญฉลาดในการที่จะให้เหตุปัจจัยแล้วก็ปลุกเร้าให้เกิดขึ้นคิดให้เกิดขึ้นให้เหตุปัจจัยเกิดขึ้นอ้อนวอนให้เกิดขึ้นได้ไหมไปขอร้องให้เกิดขึ้นอ้อนวอนให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ ไ, ไ, ดไปทํำยังไงไปอ้อนวอนกับใครไปอ้อนวอนกับพระพุทธรูปในอุโบสถได้ไหมไปอ้อนวอนกับเทพพยดาอาลักษ์อ้อนร้องกับพี๊ กับกับดวงจันทร์ดวงทิตศอ้อนวอนแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไหมนั่นเปคุกข่าวที่เอาไปคุกขาวอ้อนวอนให้เมตตาเกิดกรุณามุทิตาอุเบกขาให้เกิดขึ้นอ้อนวอนให้เกิดได้ไหมต้องทํำยังไงถึงจะเกิด<ม>ก็ต้องรู้จักว่าจะทําอย่างไรให้เกิดขึ้นงนี้เป็นต้นเมตตาคืออะไรแต่เนี้ยนะพอจะมองเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนนะุณทำทั้งหลายเหล่านี้ที่จะทําให้มีให้เกิดขึ้นเนี่ยต้องฝึกให้มีให้เกิดขึ้นได้และในขณะที่เราฟังอยู่อย่างเนี้ยสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ไหมนั่งอย่างนี้ได้ไหมอา้าวทำให้เกิดตัวทำสภาพจิตใจให้เกิดหน่อยฝึกให้เกิดให้มีขึ้นจริงๆนี่แล้วไอ้สภาพของความแปลกแยกจากธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์แปลกแยกกิจกรรมขอชีวิตเนี่ยมันจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ มันก็กลายเป็นว่ไม่แปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งวแวดล้อมไม่แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ไม่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตถ้าพระวิหารเป็นตัวเหล่านี้เกิดขึ้นกํากับใจไว้ทันทีแล้วเนี่ยนะมีไว้เป็นหลักใจถ้ากํากับพฤติกรรมจะดําเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องดีงามทันทีเลยอันดับแรกคือเมตตาเมตตาเนี่ยเป็นภาษาบาลีก็แปลว่าความรักมันแยกศัพ์มายัางไงมันก็มิทธะธาตุในความหมายว่าสีเนหะแปลวความรักลงตาปรจใจใน กิริยากิจในรูปของอิทธิลิงนี่แหละก็เป็นอาเป็นวิเคราะห์ม า, างไงวิเคราะห์สาวก็มาคําว่าเมตชตีติเมตตาประมายความว่าอะไรก็ปรแปลว่าเมตชตีตีเมตตาสินิยะหะตีตีอธโถ ธ, ธรรมชาติใดย่อมรักก็หมายก็มีเยื่อใหญ่ฉะนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อเมตตาธรรมชาติผู้รักนี่แหละ หรืออีกความหมายหนึ่งก็แว่ามิตรเตวาภาวามิตตัสาวาเอสาภาวตตีตีปิเมตาธรรมชาตินั้นมีอยู่ในมิตรหรือว่าย่อมเป็นไปแก่มิตรเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าเมตตาเมตตามาจากคำว่ามิตรเอาสลายมาเป็นสลาเอเอาสะอามาเป็นสะอาก็กลายไปว่าเป็นเมตตาก็แปลว่าคุณธรรมของมิตร เข้าใจคำว่าคนในธรรมของมิตรไหมเข้าใจว่าไงธรรมชาตินั้นมีอยู่ในมิตรเหตุย่อมเป็นไปแก่มิตรเหตุนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อเมตตาเรามองเห็นคนอื่นเป็นมิตรไหมเป็นไม่เป็นอย่างนี้เขาเรียกไม่มีเมตตา เมตตาให้แปลว่าคุณธรรมของมิตร <c oughs> <c oughs> เนี่ยไอตัวความรากักความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตใจเผื่อแผ่เนี่ยคิด <c oughs> คิดทำประโยชน์แก่มนุษย์ทั่วหน้าเนี่ยเมตตาจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้เมตตาก็คือความมีเมตตีเนี่ยความปรารถนาดีความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขหรือประสบสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ซึ่ง โดยความหมายแก่ความเป็นมิตรเนี่ยความเป็นมิตรเป็นคุณธรรมของมิตรนั้นชนผู้ที่ปรารถนาดีต่อกันหรือชนผู้มีความปรารถนาให้คนอื่นหรือสรรพสัตว์ทั้งอื่นๆเนี่ยมีความสุขประสบแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ชื่อว่ามิตรเหมือนพุทธภาษิตที่บอกว่ามาตามิตรตังสเกคเรก็ปแปล ว, ว่ามาณดาชื่อว่าเป็นมิตรในเรือนของตนเียเป็น หรือว่าอริยะมิตรต ก, กาโลสยาก็แปลว่าบุคคลย่อมสมควรทําอริยชนหรือพระอริยะเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้นให้เป็นมิตรถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีพระโสดาบันเป็นต้นให้เป็นมิตรไหมถ้าเรามีพระโสดาบันเป็นต้นพระอริยะเป็นต้นเนี่ยเป็นมิตรแก่เรา มองท่านผู้นี้เป็นมิตรแล้วเราจะได้ไประโยชน์จากมิตรไหมเราก็จะได้ฟังธรรมจากท่านไงเพราะท่านเป็นกัลยาณมิตรก็เรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่จะเกื้อหนุนเป็นปารโทโกซาปัจจัยเมื่อเราไปฟังเนะีพสัตธรรมฟังคําสอนฟังคําแนะนําอยู่ร่วมกับท่านผู้เป็นอริยะทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็จะเกื้อกูลเราให้ข้อมูลที่ดีต่อเรากระตุ้นเตือน กระบวนการความคิดของเราให้ถูกต้องดีงามพฤติกรรมของเราให้ถูกต้องดีงามเราก็จะได้ทั้งฝึกทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจและปัญญาเนี่ยเพราะอาศัยมิตรนี่แหละคืออริยชนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี่แหละเป็นบุคคลที่เกื้อกูลกระแสะชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยให้เข้าสู่ความดีงามประเสริฐเลิศเป็นต้นได้สหายโยอัตถชาตัสสะโหติมิตรตังปุณณปุณังเนี่ยปแปลว่าสหายเป็นมิตรของผู้มีความ ต้องการเนืองเนืองและอีกความหมายหนึ่งก็บอกว่าอัธรรมหิชาตํามหิสุขาสหายาปแปลว่าเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้นสหายเป็นผู้นาความสุขมาให้ฉะนั้นการที่ผูกมิตรกับทุกคนมองทุกคนเป็นมิตรเป็นสหายได้เนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนทำให้สภาพจิตของเราเนี่ยเป็นไปกับเมตตาได้ดี เนื่องจากมารดาก็ดีอริยชนก็ดีสหายก็ดีท่านเหล่านี้ต่างปรารถนาให้บุคคลหรือสรพสัตที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับตนเองน่ยมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ดังนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นมิตรเข้าใจยางจึงได้ชื่อว่าเป็นมิตรถามบอกว่ามารดาบิดาเนี่ยที่ว่าเป็นมิตรในเรือนตนเนี่ยมารดาบิดาเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อบุตรหรือปรารถนาร้ายต่อบุตร ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายเนี่ยก็เรียกมารดาบิดาเป็นมิตรในเรือนตนฉะนั้นกรณีอย่างนี้เราก็ต้องทำจิตของเราให้เหมือนมารดาบีดาที่รักบุตรเนี่ยเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสัตว์อื่นทั้งหลายก็ต้องฝึกใจของตัวเองให้มีความรักปรารถนาดีเหมือนบีดามารดามองดูบุตรของตนเองที่น่ารักฉะนั้นเมตตาถ้าใครทาจิตอย่างนี้ได้เมตตาจึงจะเกิดขึ้น อริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยถามว่าเขามองบุคคลทั้งหลายหรอเนี่ยเขามองเป็นมองเขาเกิดความรักปรารถนาดีกับบุคคลอื่นจริงไม่จริงสภาพจิตใจของอริยบุคคลทั้งหลายก็จะมีอคติไหมเขาไม่มีอคติหรอกเขาจะมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแก่ บ, บุคคลอื่นด้วยความจริงใจจริงๆไม่มีกิเลสซ่อนอยู่ในใจเลยสหายคนที่เป็นมิตรกันก็เหมือนกัน เมื่อเขานึกถึงมิตรนึกถึงสหายนึกถึงเพื่อนแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความรักความปรารถนาดีเอือ้อทอนแม้ฉันใดเราทั้งหลายก็ควรฝึกต้นใจตนเองเนี่ยให้มองทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายฉันนั้นทําได้ไหมลองลอาทำได้ไห ม, อม ไ, ไหมอ้ตรงเนี้มันต้องคิดต้องมนุษย์การต้องตรึกให้มีให้เกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ๆไปวันๆวันๆแล้วก็ทำมนืมนๆเออเออไปวันๆเนี่ย มันจะเกิดหมไหมไม่เกิดหรอกเอาแต่นี้ไอความรักมันมีสองอย่างเลยแต่นี้มันต้องระวังแล้วนี่ต้องแยกแนี่จะเจาะรายละเอียดนะถ้าเราพูดแบบคร่าวๆมันก็อีกอย่างแต่เราเจาะลงไปจริงๆเนี่ยตอนนี้พูดถึงพรลมิหารก่อนนะมม่พูดถึงเมตาก่อนเดี๋ยวคก็ไปพูดกรลูนาพูดไปทีละตัวละตัวดีกว่า เมตตาเนี่ยได้พูดแล้วนะมีรักเนี่ยนะรักมีสองอย่างรักเทียมก็รักแท้รักเทียมนี่เป็นรักที่เป็นอกุศลเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเช่นความรักระหว่างเพศเนี่ยชัดเลยถ้าพวกอย่างเงี้ยเข้าใจมันอยากจะได้อยากจะเอาต้องการให้บุคคลที่เราไปรักเนี่ยมาบรุมบมเลอมาตอบสนองความต้องการของเรา ไอความรักในระหว่างเพศเนี่ยความรักไข่ยเยื่อใยเฉพาะบุคคลเป็นความรักที่ต้องการเสพเวทนาไม่ตัวตัณหานี่แหละตัณหามีเวทนาเป็นจุดหมายเนี่ยก็ต้องการสุขเวทนาสิถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับเพศเนี่ยความรักระหว่างเพศเนี่ยชายกับหญิงไปเกี่ยวข้องกันเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงยังให้สุขเวทนาได้ตามใดยังรักอยู่ไหม ถ้าไปเกี่ยวข้องกับหญิงคนนั้นแล้วเขาไม่ให้สุขเวทนาให้ทุกขเวทนามยังจะรักอยู่ไหมแล้วให้ทุกขเวทนาให้ทรมณัสเวทนาให้ความเครียดให้ความกัดกรุ่มอยู่ตลอดเวลาจะรักไหมนี่ความรักระหว่างเพศอย่างเนี้ยเป็นความรักโดเฉพาะบุคคลเนี่ยเป็นความรักที่ต้องการเวทนาเกิดจากการสัมผัสกายเนี่ยจากการสัมผัสทางกายนี่แหละหรือ ทั้งรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็โลิภัณ์ของคนที่ตนเองรักเป็นความรักของผู้โดยชนที่อยากเอาบุคคลอื่นมาบำเรอความสุขของตนเองเป็นความรักที่คับแคบเป็นความรักที่อิงอาศัยเวทนาโดยเฉพาะขับเน้นไปที่สุขเวทนานั่นแหละก็หมายความว่าคู่รักจะยังรักกันได้ก็ตราบเท่าทั้งคู่สามารถที่จะตอบสนองสุขเวทนาให้แก่กันและกัน แต่ถ้าเมื่อไม่สามารถตอบสนองเวทนายแก่กันและกันแล้วความรักชนิดนี้ก็เสื่อมแล้วก็หายไปแล้วก็จะเกิดผลเสียตามมาเนี่ความรักระหว่างเพศจะเป็นอย่างนี้จะเห็นได้ว่าความรักเทียมเนี่ยมีลักษณะคับแคบแล้วก็เจาะจงด้วยและความรักประเภทนี้เป็นความรักปลารบบุคคลที่ตนเองรักตนเองชอบตนเองถูกใจนะ่ะเป็นใหญ่เป็นความรักที่ยึดติดผูกพันเฉพาะตัวด้วยเป็นความรักที่เกิดจากตัณหา ก็คือเป็นความรักที่ต้องการเอาบุคคลอื่นมาทำให้เรามีความสุขต้องการให้คนอื่นมาตอบสนองเราเป็นความรักที่ต้องการครอบครองและเป็นความรักที่ต้องการเป็นเจ้าของเป็นความรักที่ตื่นเต้นเราร้อนเป็นเป็นสาเหตุให้เกิดความหึงหวงจริงไหมความรักประเภทนี้เป็นความรักที่เจือด้วยราคะคือความกาหนัดความติดใจฝ่ายกสันความร่าดลนี่แหละ จัดเป็นรักเทียมเป็นความรักที่ยังไม่สมบูรณ์มีจุดบกพร่องยิงจะต้องพัฒนาแก้ไขไปสู่ความรักประเภทที่เป็นรักแท้เป็นเมตตาแท้ให้ได้เนี่ยนี่จะฉลาดเพียงพอไหมหรือจะติดหล่มกันอยู่แค่รักเทียมถ้ามนุษย์ไปติดหล่มกันอยู่แค่รักเทียมอย่างเงี้ยจมปากอยู่แค่รักเทียมแล้วก็ไม่สามารถเดินออกจากรักเทียมพัฒนาไปสู่รักแท้ได้เมตาก็ไม่ได้เกิดได้จริงหรอกมันก็ได้แค่เมตตาเทียม มองออกไหมล่ะแล้วคนส่วนใหญ่ถ้าไปพูดมันไม่ไปปาลมหรือไปดูถูกอะไรกันนะคนส่วนใหญ่มันจะไปแยกกันออกได้งไงอันไหนรักเทียมมันไหนรักแท้แยกไม่ออกมึนๆงงๆได้เอาวิชาความมืดบอดนี่แหละแล้วก็รักใครเนี่ยคนคนนั้นยังตอบสนองเวทนาให้กับเราได้ให้สุขเวทนาแก่ได้ก็ยังรักอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถให้สุขเวทนาแก่เราแล้วเนี่ยเช่นสีเขาเปลี่ยนไปเสียงเขาเปลี่ยนไปรส เ, เปลี่ยนไปสัมผัสเปลี่ยนไป กลิ่นมันเปลี่ยนไปนยังรักอยู่ไหมเช่นว่าสีผิวน่ะแต่ก่อนมันดีๆแต่สีสีมันเหี่ยวไปซะแล้วนี่นะมันดําไปซะแล้วมันด่างไปซะแล้วเนี่ยนะเสียงจากเคยฟังเหมือนพร้อมๆเนี่ยมันเสียงแขบผ้าเครือนเี่เสียงมันเสียหายไปซะแล้วเนี่ยกลิ่นแต่ก่อนมันดูกลิ่นยังดูดีๆอยู่เนี่ยแต่ก็มันทั้งเหม็นทั้งสาบด้วยเงี่ยนะ รสทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแต่ก่อนมันเคยอรดอร่อยแต่ว่ามันโอ้โหไม่ได้เรื่องในราวแล้วสัมผัสแต่ก่อนมันอ่อนนิ่มแต่ไปไปถูกแล้วแข็งยางกับไฟเลยเนี่ยนะเออไม่ใช่แข็งยางกับเหล็กร้อนอยังกับไฟเลยเนะยังจะไปรักอยู่ไหมรักไหมล่ะแต่คนที่เรารักเนี่ยจากมนุษย์ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปลรตยังรักอยู่ไหม ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกยังอยากจะไปคลอเออตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นช้างอะยังคอเครียงอยากจะรักอยู่ไหมเอาไปเกิดเป็นยีราฟยังรักยังรักอยู่ไหมคนนี้แหละแฟนเราซะเคยเป็นภรรยาของเราแต่ตอนนี้ตายไปพอตายแล้วไปเกิดเป็นอูดเงี้ยเกิดเป็นยีราฟเงี้ยนะไปเกิดเป็นฮิโปฮิโปเกิดเป็นช้างไปเกิดเป็นควายไม่เกิดเป็นวัวเกิดเป็นสุนัขถามมันยังตามไปรักไหม พ่ออะไรอ่ะพ่อะไรอ่ะพ่อตัณหามันต้องการอะไรมีอะไรเป็นจุดหมายตัณหามีอะไรเป็นจุดหมายเออมันมีเวทนาชีนี้พอไปมันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนไปหรือยังสีก็เปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนใช่ไหมถ้าไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยโอ้โหสีก็เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนไหมกลิ่นเปลี่ยนไหมรสชาติอาหารที่มันกินเปลี่ยนไหมสัมผัสเปลี่ยนไหมโอ้ไม่เอาแล้ว คลิกรักเนี่ยว่าแต่มันเปลี่ยนเป็นสัตว์เดรัฉานเลยแค่มนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยสภาพสาานาสาานภาพมันเปลี่ยนแปมันย้งหมดรักกันเลยมนุษย์เราเนี่ยน вот ี่รักเทียมเป็นแบบนี้สรุปแล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่เราว่าเรารักคนนั้นรักคนนี้รักแทหรือเทียมรักเทียมรักแม่รักแท้หรือรักเทียมนะรักแทหรือรักเทียม ถามนะแท้หรือเทียมยังไม่ได้อธิบายแท้เลยเด้อ อ, อ, อย่างเนี้ยที่พูดมาเนี่ยรักแม่ได้ไม่รักหรือยังรักเพื่อหวังผลประโยชน์ได้ไม่ได้พเพราะทีรรักแม่รักพ่อเนี่ยพ่อพ่อแม่ยังให้ประโยชน์แก่เราถ้าไปที่ใดพ่อแม่ก็พูดไม่ดีกับเราเลยด่าบ้างอะไรบ้างไล่ออกจากบ้านบ้างพูดจาอะไรไม่ดีเลยเงี้ยยังรักแม่อยู่ไหมยังรักเยอะปะถามยิงจะรักไหมยังจะรักไหมฮ คิดไม่ออกรักไหม ย, ยังจะรักไหมถ้าหากว่าเขาไม่ให้ประโยชน์อย่างที่เราต้องการเนี่ยงงทางงงท่างงแค่นี้คิดไม่เป็นแล้วไปคิดเองเนี่ยประการที่สองรักแท้นั่นหมายถึงความปรารถนาดีเนะย ความปรารถนาดีมันเป็นยังไงอา้าวความอยากให้คนที่รักมีความสุขหรือว่าประสบแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นั่นเองนี่เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่โดยอาการเผื่อแผ่ความปรารถนาดีความรักประเภทนี้จะทำให้ใจเปิดกว้างออกไปแล้วก็พ่องใสใเบิกบานนี่เริ่มป็นดีสระแล้ว ความรักที่เป็นลักษณะจิตใจผ่องใสเบิกบานนต้องการให้ผู้ที่เรารักนมีความสุขต้องการให้คนที่เรารักประสบความสําเร็จอยากทําทุกอย่างให้เขามีให้มีความสุขเออการอยากจะให้อะไรแต่เนี้ยการที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขนั้นก็คือการเสียสละสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของคนที่เรารักเนี่ยหรือเพื่อความสุขของทั้งคู่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ชัดเจนในอันี่จะทำให้ตนเองและคนอื่นมีความสุข ความรักแท้เนี่ยเป็นความปรารถนาคนอื่นมีสุขเนี่เป็นความหมายสำคัญของคำว่าความรักและความรักแท้เนี่ยมีชื่อพิเศษอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเมตตาความรักความต้องการให้คนอื่นมีความสุขฉะนั้นผู้ที่มีความรักแท้หรือสามารถแผ่กระตุ้นทำให้เมตตาเหล่านี้เกิดขึ้นในใจของตนเองได้จึงเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นความรักตนเองด้วยนะครับ คนที่รักแท้เกิดขึ้นได้ก็เรี ก, กักตนเองเป็นเออการักตนเองเป็นเข า, ารักยังไงก็มีความรักปรารถนาดีเนี่ยให้กับตนเองเนี่ยไม่ปรารถนาให้ตนเองเนี่ยประสบความทุกข์ความเดือดร้อนให้สังเกตตัวนว่าถ้าทำไมบุคคลที่รักตนเองเนี่ย เ, เพราะว่าที่เรารักตนเองเนี่ยแหละเราถึงไม่ฆ่าสัตว์ เราลักตนเองนี่แหละถึงไม่รักทรัพย์ถึงไม่ประพฤติผิดในกรรมถึงไม่กล่าวเทศไม่กล่าวส่อเสียดไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวเพื่อเจือจึงไม่เอาของมื่นเมาใส่ในกระแสชีวิตจึงไม่ประกอบไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตเลมโนทุจริตเห็นไหมไม่ทํามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในตนเหตุก็เพราะรักตนเองนี่แหละเพราะถ้าหากไปทํากรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทําให้ชีวิตจิตใจขอยงตอนเองเนี่ยร้อนลุ่ม เราร้อนใช่ไหมเมื่อตนเองคิดชั่วคิดไม่ดีบาปอคติแลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายมันเผาร้นี่จิตใจใช่ไหมแล้วหนักเข้าหนักเข้าก็ออกมาเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีงามความเสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทาประสบความทุกข์ผิดหวังทั้งหลายจะตามมาไอ้ตรงนี้ตนเอง ล, ล้วนเลยเนี่ยฉะนั้นผู้ที่ชื่อว่ารักตนน่ยจึงไม่ควรเบียดเบียนตนด้วยการทําชั่วทําผิดจึงไม่ควรไปคิดในเรื่องที่เป็นบาปอคตศแลกรรมมันชั่วร้าย เช่นความคิดที่เป็นไปในกามาคุณทั้งหลายเหล่านี้ยพยาบาททั้งหลายความคิดเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ยไอ้คนที่คิดในลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าไม่ลักตนเพราะความคิดอย่างนี้ความมนุิการใส่ใจผิดพลาดอย่างเนี้ยบาปอากัรกขระร่ามันชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในตนในกระแสชีวิตของตนนี่แหละเมื่อบาปเหล่านี้เกิดขึ้นมามันเบียดเบียนไหมเมื่อเบียดเบียนตนเองอย่างนี้จะชื่อว่าลักตนได้ยังไงใช่ไหมนี้ชื่อว่าก่อความทุกข์ให้กับตนเองหรือ ย, ยัง เวลาเราแผ่เมตตาบอกขอให้เข้าไปเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเนี่ยในขณะที่ตนเองคิดชั่วทําชั่วและพูดชั่วทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยจะชกระบวนการความคิดที่ชั่วช้าทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างนี้ชื่อว่ารักตนไหมชื่อว่าทําความสุขให้แก่ตนเองไหมอันนี้ถึงจะท่องแผ่เมตตาอย่างไรก็ชื่อว่าไม่เข้าถึงความรักที่ถูกต้องชื่อว่าไม่รักตนเรียบร้อยแล้วแล้วเอาตนเองไปฆ่าเงี้ยเอากระแสชีวิตไปฆ่าเขา ไปลักทรัพย์เขาไปประพฤติผิดในการไปกล่าวเท็จเป็นต้นเหล่านี้จนถึงเอาของมืนเมาใส่ในกระแสชีวิตเนี่ยอย่างเนี้ชื่อว่าไปก่อเวรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล้วบอกขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรแก่ใครๆเลยมีไหมแบบนี้มันก็มีสิเพราะไปทําผิดอย่างเนี้ชื่อว่าเมลักตนคนผู้รักตนเขาจะไม่เบียดเบียนตนเองแบบนี้ ตนเองคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายคิดฟุ้งซ่านไปทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ชื่อว่าไม่รักตนเพราะว่าทําให้ตนเองประสบความทุกข์ใช่ไหมเราในปราถนาข้าพเจ้าจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยเป็นต้นเหล่านี้แท้จริงก็คือว่าข้าพเจ้าจักไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์กายและทุกข์ใจให้เกิดขึ้นแก่ตนนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงพ้นจากจึงมีความสุขรักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง เราจะทำตนเองฝึกตนเองไปตามศีลสมาธิปัญญาเพื่อเข้าถึงอนุปาทาวรรภาการดับกิเลสและกองทุกข์ให้ได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารักตนที่ถูกต้องเออเนี่ยนั้นความรักแท้เนี่ยที่ต้องให้เกิดมีขึ้นเนี่ยเป็นความรักที่ต้องการให้คนอื่นมีความสุขมาจากรักตนเองถูกต้องก่อนหรือเปล่าถ้าหากรักตนเองไม่ถูกต้องจะรักคนอื่นถูกไหมพ่อแม่รักลูกเนี่ย อยากให้ลูกมีความสุขถ้าเราอยากให้ลูกมีความสุขเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขเพื่อให้ได้เห็นลูกมีความสุขพอเห็นลูกมีความสุขปุ๊บพ่อแม่ก็มีความสุขไปด้วยอย่างเนี้ยถ้าพ่อแม่มีเมตตาแท้จริงนะหนึ่งพ่อแม่รักลูกเหตุผลที่รักลูกเนี่ยก็คือรักตนเองด้วยพ่อแม่ต้องรักตนเองที่ถูกก่อน ทะลักตัวเองไม่ถูกเนี่ยพ่อแม่ไปรักทรัพย์มามาเลี้ยงลูกไปฆ่าสัตว์มาเลี้ยงลูกเก น, นี่ยไอเ น, นี้ยไอเนี้ยลักษณะอย่างเนี้ยชื่อว่าลักลูกที่ยังไม่ค่อยถูกนีพูดถึงรายละเอียดเจาะลึกลงไปก็ยังไม่ถูกพ่อแม่จะต้องรู้กระ บ, บวนการต่างๆตัวนี้ให้ถูกต้องด้วยคนได้รักตัวเองไม่ถูกแล้วจะรักคนอื่นถูกไหมไม่ถูกหรอกต้องรักตัวเองให้ถูกก่อนถึงจะชื่อว่ารักคนอื่นถูก ต้องสามารถมีเมตตาตนเองได้ถูกต้องก่อนไม่เบียดเบียนตนเองก่อนชื่อจริงวชื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเริ่มมองเห็นว่าแม้เมตตานี่ก็ยังเจริญยากไหเนี่ยยากไม่ยากที่จริงมันไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจไอ้ความไม่เข้าใจนี่แหละที่มันยากเนี่ยความรักความปรารถนาดีของพ่อแม่เนี่ย ที่จะเป็นความรักที่เป็นเมตตาได้ก็ต่อเมื่อความรักความปรารถนาดีนั้นมันไม่มีเงื่อนไขโดยไม่ใช่ชีวิตร่างกายของลูกเพื่อสนองความต้องการของตนเองไม่ใช่อย่างนั้นไม่ว่ากรณีใดๆนะนั้นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกถือกันว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเมตตานั่นแหละก็ะยกตัวอย่างมันชัดกว่าเอาความรักของคนอื่นมายกเอาพ่อแม่ในละดีที่หวังดีต่อลูกให้ดำรงอยู่ ให้ลูกดำรงอยู่ในความดีอยากให้ชีวิตของลูกเจริญก็งามเนี่ยเนี่ยเป็นคุณธรรมเป็นเมตตาของพ่อแม่ทีนี้ไอ้ความรักความเมตตาความปรารถนาดีเนี่ยที่เราจะต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องสังเกตให้ดีว่าความรักที่เราจะทำให้เกิดขึ้นก็ต้องฝึกจากการรักตัวเองให้ถูกถ้ามนุษย์รักตัวเองไม่เป็นแล้วยากแล้แต่นี้จะไปรักคนอื่นยังไง ถ้าคนอื่นบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยรักตนเองเลยผมปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเท่านั้นเฮอยนี่ก็พูดไปแต่จริงๆมันเข้าใจถูกไหมนะผมจะเป็นยังไงก็ได้ผมยอมตายเพื่อคนอื่นเพราะงั้นคนก็ไม่เข้าใจกันนึกว่ามีอยู่จริงอนั่นแต่รักตนเองไม่ถูกไปรักคนอื่นไม่ถูก พอเข้าใจตรงนี้อยากจะสอบถามอะไรรายละเอียดต้องการอยากจะรู้อะไรเชิงลึกในเรื่องการที่จะปึกรักหนาเมตตานี้ไหมมีไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมจเจริญได้ยังปึกให้มันจเจริญมีให้เกิดขึ้นได้ยังต้องทำให้มีให้เกิดขึ้นได้จริงๆไหมอ่าตอนนี้ที่เราบวชอยู่นี่รักตัวเองหรือ่ารักตัวเองใช่ไหมทาไมเราจึงไม่ฆ่าสัต เพราะอะไรเพราะเรารักตัวเองใช่ไห ม, มทั้งหมดเหล่านี้คือการรักตัวแล้วเมื่อรักตนเองได้แล้วก็จึงชื่อว่าไปรักคนอื่นได้ด้วยรักตนเองอย่างไรถนอมกระแสชีวิตของตนเองอย่างไรตนเองรักสศขเกียรติทุกอย่างไรคนอื่นก็เป็นเหมือนเราเลย โอ้แต่เนี่ยชีวิตจิตใจทั้งหลายมันจะยึดโยงกันชื่อว่ารักษากระแสชีวิตของเราเองด้วยชื่อว่ารักษากระแสชีวิตของบุคคลอื่นด้วยชื่อว่าเป็นการรักษากระแสชีวิตทั้งสองฝ่ายด้วยลักษณะอย่างเนี้ยชีวิตมันกลายเป็นการยึดโยงกันแบบนี้เมื่อยึดโยงกันในลักษณะนเนี้ยคุณธรรมก่าคือเมตตามันกเกิดได้จริงเขาก็เนี่ยถ้ามองในลักษณะอย่างเนี้ยแม้แม้เราเนี่ยก็ไม่ชอบใจนะ ถ้าใครจะมาเบียดเบียนเรามาปัททุสร้ายเราเนี่ยก็ไม่ชอบใจถ้าใครจะมารักทรัพย์ของเราเป็นต้นเหล่าเนี้มาเบียดเบียนมาช่อกงเราเราก็ไม่ชอบใจอย่างนี้เป็นต้นรายละเอียดต่างๆนนในด้านของเมตตาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เจริญยากอะไรเลยนะถ้าเข้าใจนะสรุก็คือเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกเนี่ยพอมองอ่นี้มองไปข้างนอกบางคนพยายามจะแผ่เมตตาไปให้คนอื่นแต่ใจตัวเองก็เครียดก็ก้มอยู่นั่นเลยลองนึกอย่างนี้นะ ถามว่าในขณะที่เรากําลังฟุ้งอยู่ฟุ้งคุมความคิดไม่อยู่เครียดสัญญาก็ไปทางกรารมาวิตกบางคิดแต่ในเรื่องกรารคิดเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์เรื่องบุตรเรื่องภรรยาเรื่องสามีเรื่องอะไรสารพัดหมดคิดเรื่องพยาบาทด้วยงดหงิดโกรธเครียดอาฆาตคิดด้วยหิงสาดคิดเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นเนี่ยไอตัวกลุ่มตรงนีน้ลักษณะที่อากศุศลวิตตกทั้งหลายกําลังเกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ชื่อวะไรลักษ้ะ นี่กำลังเบียดเบียนตนชัดๆเลยก็ไย่ได้ทำ <นะ S 2> เรารักตนเองปราถนาตนเองมีความสุขก็อย่าทาอย่าทำให้มันมีให้มันเกิดขึ้นตัวนี้เฉะนั้นความรักในลักษณะเนี้ความเป็นมิตรต่อกันและการความเป็นผู้รักใครสนิทสนมการคอยช่วยเหลือกันนี่เป็นคุณธรรมความดีภายในจิตใจแล้วก็แสดงผลออกมาทางการกระทาหรือคาพูด การทำดีการพูดดีการปฏิบัติดีต่อกันเนี่ยเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีประเภทนี้อภิบารที่2ก็คือความรักที่เป็นอกุศลที่ความรักที่เป็นอกุศลเนี่ยนี่เป็นรักเทียมนี่นะที่เกิดจากอกศุศลมีตันหาคือราคาความกําหนัดนี่แหละเป็นความรักที่ต้องการความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้ของตัวเองเนี่ยเพียงแต่เป็นเงื่อนไข บางคนเนี่ยนะไปรักคนอื่นจริงต้องการคนอื่นอยู่ดีมีสุขจริงแต่เพียงเพื่อเป็นเงื่อนไขสาหรับตนจะได้ประโยชน์หรือได้เสพความสุขหรือต้องการการตอบสนองหากคู่รักไม่สามารถตอบสนองให้ตนเองได้ความรักชนนัด น, นี้มันจะหายไปในที่สุดเพราะความรักลักสนัแบบนี้บางทีต้องระวังนะอกุศลเนี่ยความรักที่เป็นอกุศลความรักที่เป็นเมตตาเทียมมันมีเงื่อนไขที่เรารักคนนี้ และปรารถนาดีกับคนนี้เพราะเพราะเมื่อคนนี้ได้ดีแล้วเราพอยได้ดีด้วยคนนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็สุขใจไปด้วยแล้วเราได้รับผลตอบแทนไปด้วยเนี่ยกายอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขไหมเป็นความรักที่แปลผันไปตามสถานการณ์ยังเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์นั่นต้องพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่ความรักที่สมบูรณ์ให้ได้ความรักที่เป็นเมตตากลายเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่เกิดจากปัญญาที่สุ ข, ขุมลุ่มลึกด้วยเป็นความชานฉลาดด้วย เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังผลตอบแทนพร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวให้แก่เพื่อนร่วมโลกเลยดีใจมากแล้วก็เบิกบานใจด้วยที่ได้แผ่ความรักได้แผ่ความหวังดีแผ่ความปราถนาดีไปให้แผ่คือคื อ, คอไปให้กับเพื่อนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ดีใจเบิกบานใจที่ได้แผ่ความรักความหวังดีความปรารถนาดีไปให้เพื่อนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ทั้งหลายเนี่ยความรักในลักษณะนี้ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ลาบากแก่ผู้ให้และแก่ผู้รับ เป็นความรักที่ไม่เจือไปด้วยราคาโทสะโมหะแต่ตรงกันข้ามความรักชนนี้นเกิดจากปัญญานั้นผู้คนในโลกเนี่ยหรือเราทั้งหลายก็ควรจะพัฒนาตัวนี้แหละพัฒนาตนเองเนี่ยให้มีความรักประเภทนี้ให้มากๆเพื่อความสุขของตนเองและก็ความสุขของเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายมีเป็นต้นมองออกแล้วยังทีนี้ในคัมพียร์ตะกถาถามว่าเมตตาเนี่ยที่บอกมีความรักมีความเกือ้อกูลเป็นลักษณะเนี่ย มีลักษณะก่อนนะมีความเกื้อกูลมีการนำประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้เป็นรสตรงั้นนะเนี่ยดูลักษณะเมตตานี่ใช้ในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ปกตินะในสถานการณ์ปกติทีนี้ เมตตาเนี่ยมีการนำออกซึ่งความอาฆาตพยาบาทเดี๋ยวจะไปดูรายละเอียดอีกทีนะเป็นเครื่องปรากฏแล้วก็มองเห็นความทีสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้น่าจเจริญตาจเจริญใจเป็นเหตุใกล้เนี่ยแล้วเมตตาสามารถระงับพยาบาทได้เป็นสมบัติของเมตตาแล้วก็มีความเกิดขึ้นถ้ากตัญหาก็เป็นความวิบัติของเมตตาด้วยทีนี้ถามว่าอะไรคือเมตตาอะไรเป็น ลักษณะของเมตตาอะไรเป็นกิจของเมตตาอะไรเป็นการปรากฏของเมตตาเป็นต้นเนี่ยเมื่อสักครู่ได้ยกตัวอย่างว่ามารดาบิดาเนี่ยเมื่มองดูบุตรน้อยคนเดียวของตนแล้วก็ทำจิตประกอบด้วยเมตตาและปรารถนาดีให้เกิดขึ้นแก่บุตรแม้ชั้นใดบุคคลที่ต้องการฝึกเมตาก็อย่างนั้นก็ต้องทําจิตของตนเองให้ประกอบกับเมตตาปรารถนาดีให้เกิดขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะเมตตาเนี่ยเพิ่งรู้ว่า ความสงบนิ่งแห่งจิตในการบําเพ็ญเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นอาการปรากฏของเมตตาด้วยเป็นอาการปรากฏของเมตตาการทําความปรารถนาดีเกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะของเมตตาความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยเป็นกิตนะเป็นกิตของเมตตาแล้วอะไรล่ะเมตตาในองค์ธรรมก็คือความไม่กโกรธความไม่กโกรธนั้น เมตตาคือความปรารถนาดีความมีเมตตรีความมีเยื่อใยในความเป็นผู้มีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อสให้ต้องการให้คนอื่นเน้ประสบความสุขความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยกลุ่มเมตตานี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ต้องสังเกตว่าสิ่งที่เมตตาเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่ง ลักษณะของเมตตาเป็นไปโดยการเกื้อกูลใช่ไหมเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายนี่เป็นลักษณะหน้าที่ของเมตตาหรกิจของเมตตาก็คือน้อมนําประโยชน์เอาไปให้เขาไอ้คําว่าน้อมนําประโยชน์ไปให้เขาตรงนี้ก็คือด้านจิตใจเนี่ยคิดให้เขามีความสุขนี่ชื่อว่าน้อมประโยชน์ไปให้เขาหรือยังคิดให้เขามีอายุยืนคิดให้เขาปลอดภัยคิดให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตคิดให้เขามีทรัพย์มากๆ คิดให้เขาประสบความสุขในคู่ครองตนเองคิดให้เขารอดพ้นปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไอความคิดความปรารถนาดีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็น้อมนำประโยชน์ไปให้เขาเนี่ยด้วยทางใจหรือด้วยทางวาจาหรือด้วยทางกายก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทางใจต้องมีกระบวนการในความฝึกให้มีให้เกิดขึ้นด้จริงก่อนใช่มเอ่อ โดยส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยบางทีเราเราคิดไหมว่าเราเราเป็นผู้มีจิตใจที่แห้งแล้งไม่มีเมตตากับคนอื่นเคยคิดไหมแล้วเราคิดถึงคนอื่นได้แต่เราไม่เคยคิดดีกับเขาเยอะไหมคิด เ, เฉยๆคิดไม่รู้เรื่องรู้ราวนะบ่อยไหมวันๆหนึ่งเราใช้ความคิดไปหาคนอื่นเยอะไหม แล้วเมตตาไปกับความคิดหรือเปล่านโดยมากก็เป็นอย่างนั้นครับโดยมากไม่เอาเมตตาไปด้วยแล้งน้ําใจเราไม่เคยรู้เลยนะถ้าเราไม่สังเกตใจของตนเองเราไม่เคยรู้เราจริงๆเราเป็นคนแห้งแรงน้ําใจมากแค่คิดให้เขามีความสุขยังไม่กล้าคิดเลยและโดยเฉพาะคนบางคนที่เราไม่ชอบด้วยแล้วเนี่ยถ้าจะคิดให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตนี้แทบไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่แค่ความคิดนะ ไม่ต้องพูดไม่ต้องทำนะเอาแค่ okay. ความคิดก่อนใช่ไหมเนี่ยความคิดลักษณะนี้เราไม่เคยฝึกให้มีให้เกิดขึ้นเลยแล้วถามว่าอย่างนี้จะเจริญในกุคุณธรรมอะไรในจิตใจก็มัวแต่ถ้าสับพักเรียกว่าในสันดานจิตใจก็สยบหมกมุ่นมัวเมากตัญหาเป็นธาตุของราคะความกำหนัดก็มีแต่คิดว่ารูปที่สว ย, สวยน่ารักน่าใครน่าพอใจเป็นที่ต้งความกำหนัด ที่เห็นด้วยจักสูุก็จะคิดไปหาเสียงที่น่าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเนี่ยกลิ่นที่หน้าปรารถนาน้ารักหน้าไข่หน้าพอใจรสที่หน้าปรารถนาหน้าคข่หน้าพอใจโพผดภัที่หน้าปรารถนาหน้าไข่น้าพอใจไอ้กิเลสราคะเหล่านี้ราคานุสัยเหล่านี้ที่มีประจําอยู่เนี่ยก็นอนเนื่องฝังลึกอยู่ในจิตใจของโลกียสัตว์ทุกจําพวกเนี่ยเป็นแบบนี้สภาพจิตในลักษณะเนี้ยแล้วก็ไปหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรรมด้วยอำนาจของกิเลสกาลเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอด โดยส่วนใหญ่อตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นเมตตาจริงๆเลยกลายเป็นจิตตะเล่าร้อนอยู่กับไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นไม่เป็นนี้เมตตาอย่างนี้ทําลายเมตตาวิบัติไหมแบบนี้ยวิบัติเลยไอ้ตัวเนี้เป็นตัวฆ่าศึกเป็นฆ่าศึกฆ่าศึกใกล้หรือฆ่าศึกไกลนะฆ่าศึกใกล้ ไอตัวราคาในความกำนัดความยินดีความเพลิดเพลินความติดใจใยกระสันทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนี้เป็นค่าสึกใกล้นั้นคนที่คนที่ตัณหาจริตทั้งหลายเหล่านี้เจริญเมตตายากมากเพราะเจริญเวทีไรแล้วกลายเป็นตัณหาอยู่เลยเลยกลายเป็นความรักที่มันมีเงื่อนไขเป็นความรักที่เป็นเมตตาเทียบนี่แหละเกิดขึ้นส่วนพยาบาทนันเป็นเมตตาเป็นค่าสึดไกลนะพยาบาทเนี่เป็นค่าสึกไนะกลไป ทีนี้การที่จะคิดให้เมตตาเกิดขึ้นเนีย่ยต้องคิดยังไงสามารถมองจุดเด่นเห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายน่าเจริญใจนี่แหละมองจุดดีของสัตว์ทั้งหลายเห็นเขาบัดทำสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเหล่านี้ปัจจุบันไม่เห็นมองอดีตอดีตมองไปเห็นมองอานาคตมองอดีตอานาคตทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเห็นได้ก็ไปคิดถึงโอ้เขาเกิดเป็นมนุษย์ได้เขาเจริญสี่หกุศลกรรมบทมา อย่างเงี้ยเขาคงมีอัตยาสัยอย่างนี้อยู่ฉะนั้นก็ขอให้เขา น, าน้อมอยู่ในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเป็ต้นเหล่านี้การคิดในลักษณะเงี้เป็นปัจจัยเกิดเมตตาได้ไม่ยากใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยผลปรากฏเขาก็กําจัดความอาฆาตความพยาบาทได้ความอาฆาตความพยาบาททั้งหลายเหล่านี้จะถูกทําลายจะถูกทําลายได้ด้วยเมตตาที่เกิดขึ้น แต่ว่าถ้าพยาบาทนี้เป็นค่าสึกไกลก็หมายถึงความขัดเคืองความคิดร้ายความพยาบาทความรู้สึกปองร้ายต้องการให้ผู้อื่นประสบความพินาศย่อหยับเนี่ยอันเนื่องจากตนคับแค้นเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถจะตอบโต้ได้ทันเกิดจากท่าตนเองเ ย, ยังไม่พร้อมที่จะตอบโต้หรือยังไม่มีโอกาสเนี่ยให้โทษาประเภทนี้เป็นค่าสึกไกลของเมตตามีลักษณะแตกต่างตรงกันข้ามกับเมตตา เหมือนคนที่เป็นศัตรูกันและอยู่ไกลกันใจ ต, ตัวตั้นหาเนี่เป็นค่าสึกไกลมันมาเข้าเคลียกันเนี่ยนะบางทีแยกไม่ออกบางทีแยกไม่ออกไปเลยนี่เป็นตัวันะ้นตรงนี้ก็ในเรื่องของเมตตานี่นะเดีย๋ยวไปดูรายละเอยียดอีกทีนี่เมตตายากนะ เ, น เ, าเนี่ยเจริญเมตานี ต้องฝึกให้เกิดนะนะให้มีคือเพราะตัวเมตตาเป็นตัวเชื่อมทีนี้วิธีการแสดงออกมันอาจจะแสดงออกทั้งด้านของเมตตากรรยายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมมาว่าไปทีนี้พอฝึกกระบวนการความคิดให้เป็นไปกับเมตตาได้แล้วทีนี้เวลาจะแสดงออกค่อยว่า ก, กันอีกทีแต่ตอนนี้ให้เข้าใจลักษณะของเมตาก่อนอันนี้ภาคทางการที่จะต้องมีไว้กำกับไว้ที่ใจก่อนนะให้มีไว้ที่ใจไว้กำกับพฤติกรรม ทำเมตตาให้เกิดขึ้นคนที่จะทำเมตตาให้เกิดขึ้นดังที่กล่าวก็คือว่าเมตตาเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนนี่แหละเป็นเป็นลักษณะมีจิตใจเยื่อใยฝ่ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายมีน้ำใจปรารถนาความสุขที่เป็นไปต่อมิตรนั้นลักษณะที่เห็นได้ชัดๆก็คือว่ามีในใช้ในสถานการณ์ที่ปกติ คนที่ทำเมตตาเกิดขึ้นได้ก็จะต้องเป็นคนที่มีความาฉลาดในคสามารถที่จะคิดที่เป็นกลุ่มของโยนิโสโมนัสิกานเนี่ยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยรักตนเองดังที่ได้บอกรายละเอียดเวลาเมตตาทํากิจทําหน้าที่เข ก, ก็ยื่นประโยชน์ไปให้เขาผลปรากฏของเมตตาสังเกตได้ไม่ยากความแค้นเคืองความขัดเคืองก็ลดลงจิตใจก็จะเปิดกว้างขึ้นแล้วก็จะผ่องใสามากขึ้นการมองเห็นสัตว์ทั้งหลายน่าจเจริญตาจเจริญใจก็เป็นเหตุใกล้ของเมตตานี่นะ นี่เป็นใบลักษณะอย่างนี้อภิการต่อไปคือกรุณาการุณาเนี่ยเขแปลว่าทำความเสเทือนใจแก่สาธุชนเมื่อคนอื่นประสบทุกข์หรือถ่ายถอนความทุกข์ของบุคคลอื่นให้หมดไปหรือว่าแผ่ใจไปรับรู้ต่อสัตว์ทั้งหลายที่ประสบความทุกข์อยู่บาลีมาจากคำว่าประทุขเขสติสาธูนางกำปนังกรโรติติกรุณาเนี่ย ก็แปลว่าวธรรมชาติใดเมื่อความทุกข์ของผู้อื่นมีอยู่ย่อมทำความหวั่นไหวแก่สาธุชนทั้งหลายเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าการุณาก็คือธรรมชาติผู้ทำความหวั่นไหวหรือทำความหวั่นใจให้เกิดขึ้นเห็นคนอื่นประสบความทุกข์ปุ๊บนิ่งเฉยได้ไหมถ้าการุณาเกิดจิตใจหวั่นหวั่นใจเกิดขึ้น หรือกินาติวาประทุกขังหิงสติวินาเสติติกรุณนธรรมชาติใดย่อมซื้อเอาเสียคือความคือเบียนเอาเสียซึ่งความทุกข์ของผู้อื่นหรือทำทุกข์ของผู้อื่นให้หายไปเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่ากรุณธรรมชาติที่ซื้อเอาทุกข์ของผู้อื่นมีความทุกข์เช่นขอซื้อทุกข์ของคนออกมา เบียดเบียนทุกออกไปให้กับเขาไม่ใช่ไปเบียดเบียนเขาหนึ่งคือกำจัดก็ได้กำจัดทุกขให้หมดไปแก่ใจของบุคคลที่เขาประสบความทุกข์ได้คือแก้ไขปัญหาแก้ไขความบกพร่องแก้ไขสิ่งที่เขาประสบอยู่ความทุกอยู่ให้หายไปได้เนี่ยลักษณะนี้คือกรุณาอีกความหมายหนึ่งมาจากว่ากิริยะกริยติทุกขิเตสุ พระนาเวเสนะปะสาริยะตีติกรุณาแปลว่าธรรมชาติใดอันสาธุชนย่อมเรียรายไปก็คือว่าเหยียดเอาโดยแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายผู้ได้รับทุกข์เหตุนั้นธรรมชาตินั้นเชื่อกรุณาคือธรรมชาติที่เรียรายออกไปก็คือว่าแผ่ไปแผ่ความคิดออกไปหาบุคคลอื่นนะแผ่ไป เห็นทุกข์ของสัตว์อื่นเห็นทุกข์ของบุคคลอื่นแล้วเนี่ยก็แพ่ใจที่ดีงามแพ่ใจที่เอื้ออาทรทั้งหลายเหล่านี้เพื่อจะไปช่วยเหลือเพื่อจะไปขจัดความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับสัตว์เหล่านั้นนี่กรุณาเป็นลักณะอย่างนี้อีกความหมายหนึ่งก็บอกว่าอัตตานะเมมัทีนะเมตายการนตีติกรด้วยนะแปลว่าธรรมชาติ แปล ว, ว่าไอ้ความสงสารเนี่ยเป็นธรรมที่บุคคลกระทำบุคคลที่กระทำกับผู้อาศัยตนเชื่อกรุณาในที่นี้หมายว่าสงสารเนี่ยความการุณาในที่นี้แปลว่าความสงสารที่กั้นความสุขของตนไว้เชื่อกรุณาแทนที่ตนเองจะจมอยู่กับความสุขที่ตนเองสุขอยู่ยไม่เลยพร้อมที่จะเอาความสุขตนเองออกน้อมที่จะไปเกื้อกูลไปช่วยเหลือครับ เนื้จากข้อความในกรุณาจึงหมายถึงความสงสารปรารถนาเขาพ้นจากความทุกข์ปรารถนาจะให้ให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนปราถนาเจงให้เขาพ้นจากความยากความลาําบากเวลาเกิดขึ้นแก่สาธุชนคนดีพุบเมื่อได้ประสบพบเห็นหรือสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งที่ประสบความทุกข์เนี่ยประสบความเดือดร้อนหรือว่าผู้ที่มีชีวิตรุ่งเรืองร่ํารวยแต่มักทํากรรมชั่วนี่นะเราก็กรุณาเขา ว่าต่อไปก็จะเดือดร้อนอยังไงเขาจะจมอยู่ในอบายทุกขติวิธิบัตนรกยังไงเนี่ยเป็นเหตุให้ตนเองได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนในอนาคต invece, เนี่ยพอไปเห็นว่าไอค้คนคนนี้ต่อไปเขาจะทุกข์ยากเดือดร้อนในเนี่ยเป็นเหตุให้สาธุชนคือคนดีเนี่ยนะไม่สามารถทนนิ่งอยู่ได้มีความรู้สึกหวั่นไหวเพราะถูกกรุณากระตุ้นเตือนตลอดกรุณากระตุ้นเตือ น, น, น, น, นจิตใจตลอดไม่สามารถจะทนนิ่งเฉยอยู่ได้มีความรู้สึกหวั่นไหวเพราะอะไรเพราะกรุณานี่แหละเกิด ปารบหรือปรารถนาต้องการจะช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์เป็นต้นที่รับอยู่หรือที่จะได้รับในอนาคตกรุณาจึงเป็นแบบนี้เวลาเห็นคนโง่เนี่ยที่เขาไม่รู้ระธรรมเนี่ยเรานึกกาุณากันไหมนึกไหมเลยจังหวงคิ ด, คดยังไง อามาบวชน้อยตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นพ่อแม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยทําบุญอะไรก็ไม่รู้มึนๆงงๆสมมตินะเออกรุณาไหมนึกไหมเขากับเราใครหน้าการุณาไปกันหรือพอๆกันหรือเขามากกว่าเราเรามากกว่าเขาคิดคิดางไรเคยคิดเรื่องนี้ไหมคิดยังไงตองเล่าให้ฟังดิเ้าหน้าการุณาไหม หน้าไหม ย, ยอมพ่อยอมแม่หรือตัวเราน่าก็รู้ น, นหรือหรือทั้งยอมพ่อยอมแม่ยู่รู้ว่าเขายัางเดินไม่ถูกทางใช่ไหมแล้วคิดช่วยไหม 2> <TS> 2> คิดว่าช่วยได้ไหมคิดยังไงเนี่ย หรือไม่คิดอะไรเลยในด้านการุณาที่เราเริ่มรู้แล้วนะการุณามีลักษณะอย่างไรสภาวะทั้งหลายเขาเวลาก็เกิดขึ้นเกิดอย่างไะเดี๋ยวดูอีกต่อไปนะอยกนิดหนึ่งแยกได้ไหมระหว่างการุณาเทียมกับการุณาแท้แยกได้ไหมอ่ะดูกรุณาเทียมกรุณาที่เจือไปด้วยอกุศล เจือได้รบกดหลงกรุณาของผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือผู้อื่นในพ้นจากความทุกข์ต่อมาก็ลงมือการทำการช่วยเหลือและช่วยเหลือเขาได้หรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยในขณะที่กำลังช่วยเหลือเนี่ยก็มีความทุกข์ความยากความลำบากความกลัวจะช่วยเขาได้หรือไม่ได้อย่างไรเกิดความเครียดบางครั้งพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วเนี่ยช่วยเขาไม่ได้ ก็รู้สึกเสียใจ ώ, เศร้าโศกเดือดร้อนไปกับเขาด้วยไอ้สภาวะจิตที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกอกุศลไม่ใช่ไม่ใช่กรุณาลักษณะนี้เขาเรียกกรุณาเทียมพ่อแม่ประสบความทุกข์พ่อแม่มีโรคภัยค่อยเจ็บพ่อแม่ดำเนินชีวิตผิดแล้วก็เครียดก็กุ้มพยายามบอกแล้วบอกอีกหรือว่าพ่อแม่ที่ช่วยเหลือลูกนั่นแหละโติดยาติดแรงต่างช่วยไม่ได้ก็ร้องไห้เครียดวิตกกังวล แต่ในขณะเดียวกันก็ไปช่วยนะแต่ในขณะเดียวกันก็ทุกข์ก <c red> ็เครียดก็กุ้มอยู่เนี่ยไปช่วยเหลือคนที่เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนน้ําท่วมแผ่นดินไหวไฟไหมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปเห็นป้าโอ้โหช่วยเขาเต็มที่ร้องไห้ทุกข์ทรมานโทรม า, รมาน้ากินไ <c oughs> อย่างนี้เป็นกรุณาเทียมหรือแท้เป็นบ่อยไหมแบบเนี้ยเคยเป็นไหมช่วยเขาไม่ได้แล้วเราเครียดเห็นพ่อเห็นแม่เป็นแบบนี้ย ก้มใจเลยนะช่วยเขาได้ให้ถวายทานแต่เขาก็ได้แค่นั้นแหละพัฒนาต่อก็ไม่ได้เขาเคียดตัวเองไอ้เราเนี่มันแย่จริงๆศักยภาพเราก็แย่ไปๆมาๆเลยกรุณาหายหมดเลยใช่ไหมงั้นกรุณาเทียมเนี่ยมันจะกลายเป็นในลักษณะว่าช่วยเขาแต่เราก็ทุก อยากช่วยเขาด้วยเราก็เดือดร้อนใจไปด้วยผิดกับกรุณาแทนเป็นกุศลนั้นกรุณาแท้ที่เป็นกุศลเนี่ยได้แก่กรุณาของผู้ที่เมื่อประสบเห็นคนที่รับความทุกข์ความเดือดร้อนจากพยัศนะทั้งหลายพยัศนมีอะไรบ้างยาติพยาศน์เสื่อมญาตินะเสื่อมจากญาติโรคค่าพยัศน์โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโภค่าพยัศน์เสื่อมจากโภกทรัพย์ สีแลพยัาธนะเสื่อมจากศีลมีข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดไอ้คนนี้ศีลวิบัติแล้วทิฏฐิพยัานะเสื่อมจากความเห็นโถกลับไปเห็นผิดจากทำนองของทำต้องไปดูทีพ่อแม่เป็นพ่อแม่เนี่ยสังเกตดูนะเราจะดูพ่อแม่ปู่ตายย่ายายดูเา้าตอนนี้ญาติกับเป็นไงเสื่อมอย่างเงี้ยญาติวิบัติไหมตายลมหายตายจากเป็นต้นหรือโรคเบียดเบียนก็อยู่ เห็นพ่อแม่มีป่วยไข้เป็นโรคเนี่ยเราทุกข์ไหมทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์ไหมพ่อแม่ป่วยเนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นไม่เป็ น, ปนฮะเป็นยังไงทุกข์ยังไงหรือเฉยๆฮะเป็นห่วงแล้วทำยังไงต่อที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาพ่อ มีสุขภาพร่างกายแย่ลงแย่ลงแม่มีสุขภาพร่างกายแย่ลงแย่ลงเพราะการใช้ชีวิตที่ผิดสมมติเงี้ยะแล้วคิดไงเราได้กรุณาของเรามันออกมายัางไงที่ผ่านมาหรือไม่ได้คิดอะไรเลยปล่อยเรื่องหรือมีการคิดวิธีการว่าจะช่วยเหลืออย่างไรคนผู้นี้ต้องไม่วิบัติต่อหน้าต่อตาเราเคยคิดขนาดนี้ไห เนี่ยเขาเรียกว่าการุณาไม่เกิดอย่างเงี้ยไม่เคยฝึกให้มีให้เกิดขึ้นเลยคุณธรรมเหล่าเนี้ยเข้เขาใจคำว่าสักว่าแต่หายใจทิ้งไหมสักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆไม่ไม่คิดว่าเออจริงๆเรามนุษย์เนี่ยถ้าฝึกปัญญาฝึกความรู้ความสามารถทั้งหลายนี้สามารถจะมีวิธีการในการที่จะช่วยคนได้ไหมถ้าความคิดอย่างเราเราเนี่ยหรือสัตว์ทั้งหลายคิดอย่างเราเเนี่ยสัมมาสัมพุท ธ, ธาจะเกิดขึ้นได้ไหม ไม่ได้เลยสัมมาสัมพุท ธ, ธาหรือคนที่บำเพ็ญผคนที่มีความยิ่งใหญ่ปรารถนาจากเป็นผู้ริจ้าเขาไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับเขาคิดเห็นบาดาสัตว์โลกทั้งหลายที่เดือดร้อนระงมไปด้วยพิษไข่ระดมไปด้วยอะไรเนี่ยทั้งเสื่อมจากญาติเสื่อมจากโรคเพราโรคภยัยแค่เจ็บเสื่อมจากพวกค้าสมบัติเสื่อมจากศีลมีข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดเนี่ยเขาจะจมในอบายทุกขติวินิบัตินรกยังไงแล้วก็เป็นมิจฉาทิฐิ เขาเสื่อมไปจากสัมมาทิฏฐ่แล้วเขาจะเดือดร้อนมากนั้นสัตว์ทั้งหลายจะวิบัติต่อหน้าต่อตาเราไม่สมควรเลยท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วท่านจึงบำเพ็ญทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสจทัทธิฐานเมตตาและอุเบกขาบา ร, รมีบำเพ็ญอุปบา ร, รมีสิ บ, ร ม, บ ร, รมิธบารมีสิบเขาใจยางที่ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีนี้ได้เพราะมีอะไรมีใจประเภทไหนมีใจประเภทไหน เออมหากรุณามีมหากรุณานี่แหละที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดขึ้นในใจของท่านและอย่างเราแหละเวลาเห็นสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะพ่อแม่ปู่ตายายญาติมิตรเนี่ยเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเนี่ยเรามีกรุณาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมตอนนี้หนึ่งที่เห็นจะชัดก็คือว่าเขาเสื่อมจากญาติไหมก็จะต้องเสื่อมจากญาติไหมไม่เสื่อมได้ยังไง ทวดเขาตายยังปู่เาตายยังพ่อแม่เขาตายได้ยังพ่อแม่ของพ่อเราอ่ะหรือยังอยู่ตายยังเนี่ยเสื่อมไหมล่ะทําไมมองไม่เห็นเดี๋ยวก็มีเป้าลุงมีป้ามีน้ามีอาทั้งหลายเนี่ยเขาต้องเสื่อมหมดไหมเสื่อมหมดตายหมดไม่เหลือเสื่อมจากญาติและตอนนี้โรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนเขาไหมเบียดเบียนอีก เราคิดยังไงเนี่ยแล้วเขาใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ถูกใช้ผิดยังไงเราเราก็รู้เนนยหรือปล่อยเนี่ยหรือโภคค่าสมบัติเสื่อมไหมถ้าเราก็รักษาไม่ดีเสื่อมไม่เสื่อมเสื่อมมีกศีลศีลก็เสื่อมไหมทิฏฐิเป็นไง ถ้าคนที่มีกำลังกรุณาจริงๆเนี่ยนะถ้ามีคนที่มาบวชในพระศาสนาถ้ากรุณาพ่อแม่กรุณาญาติมิตรทั้งหลายจริงๆเนี่ยคนๆนั้นจะเร่งฝึกตัวเองเต็มที่เลยเพราะรู้แล้วว่าภัยอะไรทั้งหลายกำลังเกิดขึ้นมหันตภัยทั้งหลายที่ลุมเราอยู่นะครับแต่มไม่ได้กรุณาแท้เรามีแค่กรุณาเทียม มันน่าอนเนตอนาต้อนตงนี้นี่แหละไอ้กรุณาที่เป็นกุศลไม่สามารถจะทําให้มันเกิดขึ้นมาได้จริงๆมันก็ลักตนเองอยแบบผิดผิดพลาดๆมีทิฏฐิแบบวิปริตวิปราดกับตัวเองอยู่นี่แหละแล้วก็จอมอยู่ในส่นที่กรุณาเทียมกันอยู่นี่แหละหน้าอนเนตอนาใจนะครับเนี่ยทายังไงที่เราจะต้องปลุกเราตนเองเนี่ยก็ช่วยเหลือผู้ประสอบความทุกข์ให้พ้นจากความเดือดร้อน นั้นในขณะที่เราจะพ้นจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยถ้ากรุณาแท้เกิดขึ้นจิตใจก็มีแต่ความเบิกบานแจม่มใสไม่คุณมัวไม่เสียใจนะก็แต่ทำเหตุไหกลุ่มบุคคลเหล่านี้สร้างเหตุมากพยายามช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์อย่างเต็มที่แต่ช่วยเหลือเขาแล้วช่วยไม่ได้ก็จะไม่รู้สึกเสเทือนใจนะก็จะก็จะไม่รู้สึกเสเทือนใจจะไม่รู้สึกความเดือดร้อนใจอะไนี้ แต่ถ้าหากว่าช่วยเหลือเขาไม่ได้เลยก็จะไม่เดือดร้อนจิตใจคิดเองว่าตนเองทาเต็มที่แล้วเนี่ยไอ้กรุณาแท้เป็นมหากรุฉะนั้นบุคคลที่มีกรุณาแท้เท่านั้นตนเองจึงจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากได้ด้วยตนเองด้วยมีพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระญาณสังวรนะบอกว่าอันความกรุณานั้นมหาสจัจจริยิ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนของตนเองแม้มากมายก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเมื่อเป็นไปเพื่อให้กรุณาของตนสำฤทธิผลให้ช่วยเหลือคนอื่นไล่ปุ๊บก็เป็นความสุขเข้าใจคออํานี้ไหมเออท่านนิพพต่านเขียนไว้ดีนะท่านบอกว่าอันความกรุณานั้นมหาสจัจจริยิ่งความทุกข์ยาก เดือดร้อนของตนเองแม้มากมายก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะเมื่อเป็นไปเพื่อให้การุณาของตนนั้นสมฤรธจผลได้ช่วยคนอื่นสัตว์อื่นให้เป็นสุขอันนี้แปลว่าเป็นกรุณาที่ถูกต้องไหมบอกเรื่องเล็กเลยนั้นมหาสัจรย์มากเวลามีการุณาเกิดขึ้นในใจเจอคนประสบความทุกข์ความเดือดร้อนปุ๊บช่วย ขวนขวายช่วยเหลือเต็มที่เลยและไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากความลําบากตนเองเลยแต่เมื่อช่วยคนอื่นได้แล้วคนอื่นประสบความสุข ม, มีความสุขขึ้นมาหรือถึงแม้ช่วยไม่ได้แต่ด้วยการที่ตนเองขวนขวายเห็นต้นกรุณาเห็นพฤติกรรมตนเองเห็นจิตใจของตนเองเห็นสภาพปัญญา ต, เตนเองที่ตนเองขวนขวายเต็มที่เต็มความรู้เต็มศักยภาพเต็มความสามารถปุ๊บมันสุขใจตรงนั้นตรงที่ได้เห็นตนเองได้ขวนขวาย อ, องเต็มที่ ถึงแม้ผลที่ทำออกมานั้นคนอื่นอาจจะพ้นหรือไม่พ้นก็แล้วแต่ได้รับความสุขหรือไม่ได้รับก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นไปตามกรรมของเขาอีกทีหนึ่งแต่ได้เห็นต้นกรุณางตัวเองเห็นความกรุณางตัวเองที่ได้ทำเต็มที่เหมือนเวลาบรรยายธรรมเนี่ยถามว่าต้องกรุณาเยอะไหมอ้าวคนที่จะบรรยายธรรมด้วยความให้ข้อมูลความรู้ของเขาเนี่ยต้องไปแค้นนะที ต้องพยายามแล้วพยายามอีกบอกแล้วบอกอีกใช่ไหมแต่เมื่อคนอื่นเขาไม่รับคนอื่นเขาไม่เข้าใจคนอื่นเขาไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ไม่สามารถเดินปรรยาให้ตามให้เกิดกุศลได้เนี่ยตนเองเครียดไหมถ้าคนเจริญกรุณาเขาไม่เครียดหรอกเขาก็จะเห็นกรุณาตัวเองที่ได้ทําเต็มที่ว่าเอาละ มันมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นว่าถ้ากรุณาเกิดขึ้นนั้นจะทุ่มเทในการที่จะทํางานเต็มที่อย่างนี้นะนั้นสรุปก็คือกรุณาแท้เป็นมหากุศลที่ต้องการช่วยเหลือให้คนอื่นเนี่ยพ้นจากความทุกข์โดยตนเองก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยสภาพจิตที่เบิกบานแจ่มใสสดชื่นด้วยไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความเสียใจแม้ตนเองจะช่วยเหลือให้เขาพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยก็จะเป็น สภาพจิตที่เบิกบานผ่องใสยอยู่นั่นเองแต่ถ้าเป็นกรุณาเทียมถ้าไปช่วยเขาแล้วมันไม่ได้มันจะเป็นโทมานัสเป็นอกุศลและแม้ไปช่วยเขาแล้วเขาก็ไม่เห็นคุณค่าของเราก็เป็นอกุศลอีกแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นก็เวลาเจริญกรุณาก็ให้เราเนี่ยต้องฝึกให้เป็นกรุณาแท้ๆจริงๆกรุณาใช้ในสถานการณ์ไหน สถานการณ์ที่ไม่ปกติก็คือสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังประสบความทุกข์ความเดือดร้อนขาแย่ลงต่ำลงก็เป็นไปด้วยความปลดเปรื้องความทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายหน้าที่กรุณาก็คือไม่นิ่งดูดายทนนิ่งอยู่ไม่ได้ต่อความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่เฉยใครจะทุกข์ใครจะเดือดร้อนก็ช่างสภาพจิตใจก็ไม่หวั่นไหวอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นผลปรากฏก็คือว่ากาจัด อหิงสาก็คือการไม่เบียดเบียนได้นั้นคนมางคนคิดเบียดเบียนเขาด้วยการที่นิ่งอยู่เฉยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นว่ารุย้ยคนนี้จะประสบความทุกข์คนคนนี้จะประสบความวิบัติเฉยๆปล่อยใจเฉยๆไว้เนี่ยไอ้ลักอะไนี่คิดเบียดเบียนเขาไหมเนี่ยคิดเบียดเบียนครับเห็นเขาเดินเดินเดินเดเดิ น, ดนไปเนี่ยมันจะตกจะตกเหวนี่ นี่ต้องหาวิธีทำให้เขาหยุดเดินไปทางนั้นเปลี่ยนทางเส้นทางให้ได้ถ้าเรารู้ว่าคนเองกำลังประพฤติธปฏิบัติอยู่เขาจะเดือดร้อนเขาประสบความทุกข์ยังไงเนี่ยอันนี้ป้องกันผลปรากฏเป็นอย่างนั้นเห็นภาวะที่ไร้ที่พึ่งประทฐานนะสภาพหน้าหนาทของสา์ทั้งหลายที่ถูกทุกข์ครอบงตัวนี้ทนดูไม่ได้เห็นว่าค น, นยแย่และโมหะมีกาลังมากที่แย่เนี่ย เขาไล่ที่พึ่งมันคิดไงก็ไม่ถูกทํำไงก็ไปเป็นโอ้โหภาวะนี่ยทนดูอยู่ไม่ได้ทํำยังไงนาะเขาจะหมดสภาพเขาจะโมองหาจะไปกินเขาเนี่ยเรามองมองดูคนที่เขาเหมือนที่คนที่มาบวชที่อาจารย์เห็นเราก็เห็นใช่ไหมดูดิภาวะไล่ที่พึ่งไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วทาไมมึนขนาดนี้ชีวิตมนุษย์เนี่ย บอกก็มึนบอกก็งงบอกก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเนี่ยมันก็กลับไปมึนงงอย่างเก่าอยู่เนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยภาวะที่ศาตร์ทั้งหลายไร้ที่พึ่งเราคิดว่าขอให้คนคนนี้อย่าได้วิบั ต, ติต่อหน้าต่อตาเราเลยเราก็บอกตรงๆเลยนะบอกปุ๊บปุ๊บไปยอมจำนนเอานี่เป็นยังไงเนะี่ยไอภาวะที่ปัญญามันไม่เกิดเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเลยนะ <c oughs> นั้นตรงนี้ก็ ฉั้นเวลาจเจริญกรุณาก็ต้องระวังระวังจะเป็นโทมนัสจะตามมาจะกลายเป็นกรุณาเทียมเราทําเต็มที่แล้วจบภาระของเราแล้วจบภ า, าระเบเสร็จก็สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมลแล้ว่เนี้ยแต่ขอให้ได้ทําเมื่อเห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายไร้ที่พึ่งอยู่ต่อหน้า ต, ตานี่ไม่ควรยิ่งเฉยต้องทํากรุณาทั้งหลายเป็นต้นให้เกิดขึ้น แวันนี้ได้สอ ง, สองข้อยังไม่ได้บอกผลบอกอ น, นิสองส์อะไรมากมายนะบอกได้ได้แค่ เ, คเมตตาและกรุณนานี่หลักการทั้งสองประการทั้งหมดคือพูดสี่ยังไม่จบอันนี้เป็นหลักการใหญ่ที่จะต้องทําให้เกิดให้ได้ถ้าคุณธรรมเหล่านี้ทําให้มีให้เกิดขึ้นในกระแสความคิดไม่ได้การเจริญกุศลก็ไม่สมฤทธิผลนั้นต้องฝึกให้มีให้เกิดขึ้นจริงๆตรงนี้นะอย่าสักแต่ว่าอยู่ไปเฉยๆเนี่ย เวลาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องทำเมตตากรุณาเป็นต้นให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันได้เดินคุณธรรมเหล่านี้ได้จริงๆนะเมื่อสามารถทำพรหมวิหารเนี่ยซึ่งเป็นธรรมะประจำใจอันประเศรศิฐแล้วก็ธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจไว้กํากับพฤติกรรมนี่แหละจะได้ดำเนินไปชีวิตเป็นในทางที่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเหล่านี้ ออถ้าเอาคุณธรรมเหล่านี้มาไว้กำกับไว้ที่ใจแล้วได้ขึ้นไว้ที่ใจได้แล้วก็สลับใช้ไปตามสถานะในวาระปกติวาระผิดปกติขาขึ้นขาลงอย่างไรแล้วก็วาระที่จะรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงานที่จะใช้ อ, อ, อุเบกาๆๆนั่นสิ่งต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งจาเป็นในพรหมวิหารเนี่ยถ้าสังคมมนุษย์ทั้งหลายยังเดินพรหมวิหารกันไม่เป็นโลกะเยโลกสซุดก็ไม่ไม่มีธรรมะคุ้มครองโลกลแล้วท่านนี้ย ที่จริงจริงมนุษย์จะอยู่กันอย่างไรนะี่ั้นสิ่งต่างๆตัวนี้ก็พวกเราในฐานะที่มาศึกษาพรธรรมอยู่ในฐานะเป็นนักบวชเป็นต้นด้วยก็จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยเฉพาะทําไมเหล่านี้เราวเราฝึกปลื้ให้เกิดให้มีขึ้นให้ได้จริงๆไม่ใช่จากแต่ว่านั่งฟังแล้วแต่ไม่สามารถเอาไปเดินไปคิดให้มีให้เกิดขึ้นมาได้การฟังเหล่านั้นมันก็ไม่สําเร็จผลไม่เกิดประโยชน์เนาะมันก็ได้เป็นแค่สุตตะไอ้สุตะมายาปัญญาก็ไม่เกิด ถ้าไม่พัฒนาไปสู่การคิดให้กว้างขวางลึกซึ้งขึ้นมาก็ไม่เป็นจินตามายาปัญญาถ้าไม่สามารถเอาไปปฏิบัติบำเพ็ญให้มีให้เกิดขึ้นมาได้ภาวนามายาปัญญาก็ไม่สามารถจะมีจะเกิดขึ้นมาได้นั้นสิ่งต่างๆตงัวนี้เราท่านทั้งหลายก็ต้องฝึกให้เกิดให้มีขึ้นอะไรสมควรแก่วเวลาแล้วขอมรดนา